ห <Book> <53. S 3> ้าสิบสามยาใบมูดร้านค้าดูกานาลุเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเมืมออาทตวันศุกรมเมบกดูกานังกรรูเวตกุฏุนนาม๊ เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเมมวอกกับมอมส่งกอดตัวสัมบ่อตกุตุนนามอเรากำลังมองหาร้านขายยาเมมบกกมันดุลกอดตัวสัมบ่อตกุตุนนามอเราต้องการซื้อลูกฟุตบอลเมมบกกับฟุตบอลกอนดามันิอันกุตุนนามอเราต้องการซื้อซาลามี่ มุสลามีก๋อนดามันี่อันนั้นุนามเราต้องการซื้ อ, อยาแม่มันด้ยเลกกนดามันี่อันนั้นุยน้ามเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอลฟุตบอลคนนตะกุน้าก็อัตวัศรัดดูการนั้นคือเวลล่าเนมุเดเรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามี่ ม่โานว่ากมัมงกต้อสัมบักุุนามเรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยาแมมมันดุลคดันขายยาีว่ากมันดุลกต้องสัมบตกตุนนามดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับนี่นวลวัตตคุดิกเวทกตุนามดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ เนนุนวังคต า, นานดิฉันกลังมองหาร้านขายขนมหวานเนุนก ก, นกชดูุสนานอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน น, น, น, นกวกรุนนอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ เนจนชพลล์เอนเต้เนนวฟิลมดอลลค่ันกตนอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้กเนจันชนนี่ยนึกว่ากเคนี้คนันกุตนดิฉันกาลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวนนนวริงคนารนบุคคลนั่งเล่วตกุฎกศเกตนนาน ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์มนี่นีกกัฟิลมดูเก่าหาเลา่ตู้การนกาันตีกเตุนนดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้กนีอกกับเค้กก่นหน้า น, นนานี้กี่บอกกับอนเฟกช่เวทคตุนน